สภาวะทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏขึ้นมาให้เรารู้นะั้นล้วนจะเกิดแล้วก็ดับทั้งหมดแหละไม่เห็นหน้าถามเลยว่าของหนูมันกระยุกกระยิกแบบนี้จะทํำยังไงนีของหนูมันถอดขึ้นมาแล้วมันวิ่งไปตรงโน้นจะทํำยังไงก็เมื่อเห็นสภาวะแล้วสภาวะเขาก็แสดงไสรลักษณ์ให้ดูจะคิดอะไรมากนะี่คําถามทั้งหลายนะที่ถามหลวงพ่อนะเกือบทั้งหมดเลยนะ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 เรียกว่ามีโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิกานเป็นความแยบคายในการช่างสังเกตสังเกตตัวเองนั่นแหละไม่สังเกตใครแร้ไม่ได้สังเกตตามใจกิเลสด้วยสังเกตแบบมีหลักเงนั้นโยนิโสมนสิกานี้เป็นความแยบคายในการพิจารณาสภาวะทั้งหลายโดยสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าดัหลวงพ่อสอนหลักแล้วนะก็คือคาสอนของพระพุทธเจ้า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 เราดูเป็นไหมมันแสดงใจรักยังบางคนดูแล้วมัวมัวหนูมัวอยู่เนี่ยหนูจะทํำยังไงดีหรือผมมัวมัวรู้ไหมว่ามัวรู้แต่มันไม่หายเห็นไหมไม่คํานึ่งเลยว่าหลักคืออะไรมัวฉิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะสิไม่ใช่รู้ให้หายใจมันอยากให้หายเห็นไหมใจมีโทสะทําไมไม่เห็นยหัดสังเกตตัวเองเวลาที่เราภาวนานะแล้วเราลองเขียนออกมาก็ได้เขียนเป็นประโยคออกมาน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 แสดงว่าหลงเข้าข้างในไม่ถูกต้องอยู่ข้างนอกเป็นกลางกลางไม่ได้หลงไปข้างนอกน้่นด้วยแล้วไม่หลงไปข้างไหนด้วยเราต้องประคองไว้รตรงกลางประค อ, องไว้ก็นิ่งๆสบายรู้สึกตัวได้เลยๆกลับไปหาโลภูเทศนะบอกเนี่ยผมไม่ส่งนอกไม่ส่งหนนะเป็นกลางเป็นกลางโดยการทำมันขึ้นมา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 คนที่อยู่วัดจะถามเป่าให้สิทธิ์ก่อนอกราบขอบคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะขอบ <จะ S 1> คุ ณ, คณแล้วไม่ต้องนะศูนย์ทรพจน์ไม่เอา <c oughs> ขอข้ามาไม่ต้องนะขอในใจเอ อ, อตอนนี้โยมยังติดตรงไหนไหมคะที่ประคองไว้นิดเดียว <c oughs> ดีขึ้นเยอะแล้วรู้สึกไหมจิตมันถอนออกมาถอนออกมา <c oughs> จิมเข้าไปล็อกอยู่ข้างในตอนนี้มันถอนออกมาแล้วดีเบอร์รอยสอง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 เบอร์แปมันไม่ได้มากราบหลวพ่อนานมากแล้วครับก็ <c oughs> เลยที่ผ่านมาคิดว่าพอทําพอใช้ได้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเข้าข้างตัวเองมากไปหรือเปล่าอะ <c oughs> ไก็ไดีนะแต่ว่าตอนเนี้ใจไม่ตั้งมั่นรู้สึกไหมใจไปอยู่ข้างนอกแล้วมันไม่วเข้าหาใจของเราเองจินไปอยู่นอกๆอก๋อ <c oughs> อันนี้ไม่ทราบสังเกตไหมมันมาอยู่ทางหลวงพ่อเนี่ยอ <c oughs> ิดนิดดึงครับอะไรนะอิดนตึงนิด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 ให้ดีก็ได้ค่ะก็ยังต้องทํำสัปตาที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะอยาจงใจปฏิบัตินะรู้สบายๆจงใจแล้วมันจะแน่นขึ้นมาเป็นก้อนอย่างตอนที่ค่าๆแล้วพยักหน้ารู้สึกไหมเราลืมหลงเราหลงนะคะดีหลงเรารู้หลงเรารู้นะดีกว่ากลัวหลงแล้วไปเพ่งเอาไว้อ้าตัอไปจะให้ยกมืออีกนะ เดี๋ยวหลวงพ่อดูก่อนว่าใครจำเป็นเอาเบอร์1ิ่เริ่มปฏิบัตินะคะแต่ว่ายังไม่แน่ใจเราก็เคยปฏิบัติวิธีอื่นมาก่อนทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรคะว่าวิธีไหนที่เหมาะกับเราค ะ, ะต้องวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนนะส่วนมากที่เราทำมาทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยมันเป็นวิธีที่อาจารย์สอน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 <g ather> ก็ถูกแล้วนี่ที น, นี้หนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูภาวนาเป็นไงบ้างคะก็ภาวนาดีโชละให้รู้ไปนะแต่อย่าจ้องมันนะค่ะแล้วก็อย่าไปรอดูที่กลางอกหลวงพ่อเคยทําผิด <g ather> เห็นมันผุดขึ้นมากลางอกแล้วเลยไปจ้องอยู่กลางอก <g ather> อันนี้ใช้ไม่ได้นะห <g ather> ให้มันผุดขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้เอาคือ <g ather> หนูรู้สึกว่าหนูภาวนาดีอะค่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยดูว่ามันดีจริหลวงพ่อก็ว่าดีนะ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 เป็นมิจฉาสมาธิแล้วมีสติแล้วมีความรู้ตัวอยู่เรื่อยๆก็ให้นั่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพยายามเคลื่อนไหวไว้ดีกว่าเช่นไปหางานทำไปกวาดบ้านไปถูบ้านไปทาอะไรที่เคลื่อนไหวไว้แล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆดีดีกว่าการที่เรานั่งสมาธิดีกว่านั่งจมลงไปในความซึมเซาค่ะไปเคลื่อนไหวนะพยายามเคลื่อนไหวหางานบ้านมาทา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 เ ป, เป็นแบบพวกเราแหละ <Okay. S 1> อยากไปอวดเหมือนกันเมื่อก่อนเนี้ยไปหาหลวงปู่สุวัตนะดีมาตั้งหลายวันแนละ้วท่านอยู่บุรีลำดังนั้นจะนั่งรถไปแต่ตั้งใจอย่างดีเลยเละเลยวุ้จิตหนีไปแล้วนีเอาไม่อยู่เลยนะเอาไม่อยู่แล้วทาําไงดีตายละ ว, ว่ะกําลังจะถึงวัดท่านอยู่แล้วนะทําอะไรไม่ได้นะดูมึงแสดงไตรลักช่วยมันคิดนิดนึง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 ฝึกรู้อย่างนี้แหละดีแล้วละฟังซีดีทุกวันนะฟังแล้วสังเกตจิตไปเรื่อยเดี๋ยวก็ดีเองแหละตอนนี้มาได้ดีแล้วละเอาเบอร์สี่สิบเบอร์่สส่งครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่สองอาทิตย์ที่แล้วครับโอ้ยเร็วไปเมืเอินสองอาทิตย์ที่แล้วที่พี่ชายเสียแล้วก็เลยจิตแบบไม่ถึงแบบไม่เป็นกลางมากๆาะแต่ว่าเราห้ามไม่ได้นะ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 ว่าใจมันไหลแวบเราก็จะรู้ขึ้นมาเองแหละคร e <c ười> <c ười ับผมกระดูกกดิกไหมครับว่าใจชอบคิดมันถลำไปในโลกของความคิดบ่อยๆแล้วเอาร่างกายมาเป็นวิหารธรรมไว้ครับผมครับอยากขอกันบ้านครับก็แค่นี้ก็เยอะแล้วนะร่างกายเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกร่างกายเคลื่นไหวคอยรู้สึกนะครับอ้าววันนี้ได้แค่นี้นะเชิญโยมกลับบ้าน